บิสมิลลาฮิ р ะห์ م านุ р а х и الحمد لله ربنا المين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติ ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตับเชษในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับเราอยู่ในซุลฮูดนะเอกสารเนี่ยไมันด้แก้ชื่อซุลนะครับจริงคือซุลฮูดนะครับในเอกสารเขียน ว, ว่ายูนุสจริงๆไม่ใช่นะยูนุสจบไปแล้ว ซูฮูดนะครับออวันที่นี่ก็ผิดด้วยเพราะผมเตรียมมาเนี่ยมาสอนสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันงดนะครับเอกสารก็เตรียมมาเกอร์นะเปลี่ยนจากวันที่สี่เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากชื่อซูรายูนัสเป็นซูฮูดหัวข้อในวันนี้นะครับการท้าทายจากอันกานเนื้อหาในวันนี้นะครับออห้าอายะ นะครับในกระสารเน่ยเขียนแค่4เพราะว่าเนื้อที่มันมันจบแค่นั้นแต่ว่าเนื่องจากอายะที่5อ้อายะที่16เนี่ยเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันต้องต้องสอนไปทีเดียวเลยนะครับเวลาสัปดาห์ต่อไปจะได้เริ่มเนื้อหาอื่นนะเดี๋ยวเนื้อหาจะขาดตอนดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับหอายะครับจากสุรพุทธอายะที่12อายะที่13อายะที่14อายะที่15แล้วก็อายะที่16 ซึ่งอายะที่1ิบเนี่ยไม่ได้มีในเอกสารแต่ผมจะสอนไปดุ๊ก <c oughs> ในอายะที่สิบสองนะครับอั aa, <Yeah. S 1> ลลอฮตรัสว่าฟะลัลละกกนะหวังว่าเจ้านั้นหวังว่าท่านนั้นนะครับตาหริกุนบะดอมายูฮายอีเละกะที่หวังเนี่ยใครหวังอยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อน พวกมุชริกเนี่ยนะครับหวังว่าท่านนาบีนั้นจะทิ้งนาบางส่วนที่ถูกัวฮีมาให้กับท่านนาบีคือพวกมุชริกเนี่ยต้องการที่จะกดดันท่านนาบีปฏิเสธท่านนาบีเยแยหยนท่านนาบีหวังว่าละอัลลากาหวังว่าเท่าหวังว่าท่านก็คือท่านนาบีเนี่ยจะทิ้งัวฮีบางอย่างที่อัลลอฮ์ส่งมาก็อ่านบางอย่างที่อัลลอฮ์ส่งมาเผยแท้เนี่ยถ้าไม่เชื่อถ้าดื้อถ้าไม่ฟัง ด้วย ก, การกรารททำแบบนี้หวังว่านบีจะละทิ้งตรงนี้นะพอแต่แปลที่เราประโยคเนี่ยเดี๋ยวจะงงผู้มุชิกหวังว่าทำไมเอลักกาตาริกุมบะดามายูฮายิลัยกะหวังว่านบีจะทิ้งไว้อีก็คือจะทิ้งอัลกุรอานทิ้งคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็หวังว่าวาดออิกุมบิฮีซาตุุกะ หวังว่าถ้าแปลตรงตัวนะหัวอกนบีจะแคบจะอึดอัดก็คือพวกนี้ต้องการที่จะสร้างความลําบากความอึดอัดให้กับท่านนาบีรู้สึกมโ น, ห, นหัวอกมันแคบมันบีบเข้ามาอึดอัดอันเยกูลูที่ว่าจะทําให้ท่านนาบีทิง้งไว้แล้วก็รู้สึกอึดอัดเนี่ย ไอยกูลูก็คือวิธีการาก็คือว่าจะพูดว่าเราลาอุนซิละอะไรทีกันซุนถ้าท่านเนาบีถูกประทานลงมานะครับทำไมถึงไม่มีขุมทรัพย์ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรที่มันเลอค่าส่งมาพร้อมกับท่านนาบีละ่ะ เป็นนบีจากอัลลอฮ์ใช่ไหมทำไมอัลลอฮ์ส่งแค่ตัวนบีมาไม่มีสมบัติไม่มีความมาสัจฉันไม่มีอะไรเลยกันจุนแปลว่าค้างสมบัติคือทําไมอัลลอฮ์ไม่ประทานภูเขาที่เป็นเทชรไม่ประการอะไรที่มันยิ่งใหญ่มาให้ท่านนาบีทําไมไม่มีอะไรมาเลยนบีมาแต่ตัวแล้วก็วาฮีคําพูดตรงนี้พูดทําไมล่ะพูดเพื่อให้ท่านนาบีนั้นเกิดความขุดอัดในใจแล้วก็ละทิ้งหน้าที่ ไอยากรูผนี้พูดว่าเราลาอุนซิลอะไรที่การจุนทำไมขุมทรัพย์ขุมสมบัติสิ่งที่มีค่าไม่ถูกประทานมาพร้อมกับท่านนบียังไม่พอนะเอาจาอามะอหูมาลักหรือว่าทำไมไม่ส่งมาเลกะมาพร้อมกับ น, นบีด้วยคือเวลาที่นบีเผยแผ่ทำไมมูฮัมหมัดมีแต่ตัว ไม่มีสมบัติเลยแล้วทาไมอัลลอ์ถ้าเป็นอัลลอ์ส่งมาจริงทำไมไม่ส่งมาเลกามาด้วยมาขนาบข้างมาแสดงอภินิหารให้เห็นอันนี้คือคำพูดของผู้ที่ตั้งภาคีพูดแบบนี้ต้องการอะไรักุรอานบอก ว, าวา่าฟาละอัลลกาตาริกุนบะดามายูฮาอิลกะพูดแบบนี้ต้องการนาบีละทิ้งนาทีอวดอัอกุนวิธีซตุกะ แล้วก็หวังว่าจะสร้างความผืดอัดให้กับท่านนาบีนเนื้อหามันเอาข้างหน้าไว้ข้างหลังข้างหลังไว้ข้างหน้าอาลัลลอ์ก็เลยบอกว่าอาินนามาอันตะนาดีรุนอัลลอ์บอกว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตักเตือนไอ้คำเรียกร้องที่บอกว่าทำไมไม่มีสมบัติมาไม่มีมรล้ามานะ่ะไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้อลัลลอ์ส่งนบีมาเพื่อที่จะจะตักเตือน จะเชื่อไม่เชื่อจะอยากนู่นอยากนี่เนี่ยไม่เกี่ยวกันนบนบีนอกเหนือหน้าที่ของท่านนาบีวัลลอฮุอะลากุนตุชัยอินวาคีลอัลลอฮ์นั่นเป็นผู้ที่วากิลคุ้มครองดูแลนะครับรักษาทุกสิ่งอันนี้คือความหมายคร่าวๆของอายะห์ที่ส2บสองจากซุลฮฺพูดได้ไงคิดอะไรบ้างจากอายะห์นี้ จาอายานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ท่านนาบีทําการเผยแพร่เนี่ยนบีผชนอะไรหลายอย่างมากนะไม่ใช่เผยแพร่พูดเสร็จแบบผมพูดเสร็จผมก็กลับบ้านไม่ใช่นะช่วงที่เผยแพร่เนี่ยนบีเผยแพร่ประสบเหตุการณ์แบบเนี่ยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนาบีประสบคือปฏิเสธถ้าไม่ฟังเฉยๆแล้วก็เดินออกยังไม่ทไหร่อันนี้ไม่เชื่อไม่พอแล้วก็เย้ยหยันท่านนาบีว่า ทำไมไม่มีอะไรมาเลยมาแต่ตัวถ้ามาจากอัลลอ์จริงทำไมอัลลอ์ไม่ส่งสรัสมบัติมาเลยถ้าเป็นนบีจริงเนี่ยเอาวะฮีมาจากอัลลอ์น่าจะมีมาเลยกะโผล่มาหน่อยมาอยู่ท่านนาบีสแสดงความมาสัสิท์หน่อยคนจะได้เชื่อนบีเผชิญเผชิญกับลักษณะคำพูดแบบนี้เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่คือหนึ่งในสี่นิท่านนาบีเผชิญคราวนี้พวกมักกาเนี่ย น, นะครับ เมื่อไม่ศรัทธาวัฒนนาบีมาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็คิดวิธีการว่าทำยังไงให้ท่านนาบีนั้นหยุดการเผยแพร่หรือว่าละทิ้งหน้าที่พรานนาบีก็เป็นคนคนหนึ่งคนธรรมดาถ้าเราสร้างความท้อแท้สมมุตินะครับคิดแบบเนี้ยกดดันก่บไปบีบเข้าไปาไปฏิเสธดื้อกัไปเยาะเย้ ย, ยกัไปหวังจะทาลายกาลังใจท่านนาบี และสุดท้ายมอมัดเดี๋ยวมันก็เลิกเผยแพร่ไปเองจะด้วยกับคําพูดด้วยกับนู่นด้วยกับนี่นตบีเผชิญแบบนี้สิบสาปีใ น, นนะครมักกะพี่น้องเผชิญแบบนี้หมดเลยพี่น้องนึกภาคแล้วคนที่พูดก็ไม่ใช่ใครมางทีก็เป็นญาติอบูระหับอาบูย่านี่เป็นญาติทัานนาบีนะคนที่เป็นศัตรูอิสลามตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นญาติทัานตะาบีวันนี้ก็มาพูดวันนั้นก็นมาพูดคนในมักกะก็มาพูดนี่คือ ส, สิ่งที่ท่านตบีต้องเผชิญ ประเด็นต่อมาทำไมพวกมัก้าถึงบอกนบีว่าถ้าเป็นนบีจริงๆเนี่ยน่าจะมีสองอย่างนี้หนึ่งคือทรัพย์สมบัติสองคือมลัยกะพวกมัก้าคิดอะไรอยู่ถึงตั้งเงื่อนไขแบบนี้สิ่งเหล่านี้สะท้อนมาตรฐานสังคมในสมัยนั้นคนที่จะดีคนที่จะเยี่ยมเนี่ยตัดสินกันตรงไหน หนึ่งตัดสินกันที่ทรัพสมบัติโอมกากะบอกท่านนาบีเป็นนบีจากอัลลอฮ์จริงเนี่ยเป็นบุคคลที่พิเศษนะได้วะฮีได้เป็นอซูนอลัลลอฮ์แต่งตั้งฉะนั้นคนเหล่านี้น่าจะมีทรัพย์สมบัติเป็นค่านิยมในสังคมในสมัยนั้นเพราะว่าคนที่มีทรัพย์สินทําไมเอยเป็นคนที่ได้รับการยกย่องสมัยนี้เราก็เป็นเหมือนกัน ในประวัติท่านนาบีตอนนี้ท่านนาบีถูกเสนอข้อเสนอพี่น้องบอกว่ามุฮัมมัดเลิกเผยแพร่ศาสนาได้ไหมอิสลามหยุดหยุดได้ไหมต้องการอะไรบอกมาถ้าต้องการทรัพย์สินนี่เป็นการเจรจานะกับท่านนบีถ้าต้องการทรัพย์สินเราจะหาทรัพย์สินมาให้ถ้าต้องการผู้หญิงสวยๆเราจะหามาให้ถ้าต้องการเกียรติยศเราพร้อมใจกันเลยจะยกย่องท่านนาบี ขออย่างเดียวให้หยุดเผยแพรแ่ อ, อิสลามนาบีบอกไม่หยุดสิ่งที่พวกนั้นเสนอออกมาเนี่ยเป็นองสะท้อนค่านิยมในสมัยนั้นนิยมในเกียรติยศยาได้คาชมเชยสําหรับพวกเขาสิ่งเหล่านี้มีค่าก็เลยมายื่นให้กับท่านนาบีหวังว่าเกียรติยศที่พวกเขาเห็นว่ามีค่าเนี่ยจะชักจูนท่นานนบีได้ให้หยุดเผยแพรแ่ อ, อิสลามในค่านิยมของพวกเขาเห็นว่าทรัพย์สมบัติมีค่า ดังนั้นเอาสิ่งตรงนี้สามบัติตัวนี้เนี่ยทำไมเอ่ยมาเจรจาต่อรองกับท่านนะบีขอให้หยุดเผยแพร่อิสลามเวลาเจรจากเนี่ยมันจะสะท้อนมาว่าเขานิยมอะไรฉะนั้นท่านนบีเป็นนะบีจริงเนี่ยทําไม่ไม่มีสมบัติมาเลยมาจากตัวนบีเน่ยเป็นเด็กกาพร้าอะบีน้องคนที่ปกพี่น้องนึกถึงความรู้สึกท่านนะบีนบีเป็นเด็กกาพร้ากาพร้าที่คือกาพร้าหมดเลยนะกำพร้าพ่อตั้งแต่ในท้อง กำพ้าแม่ตั้งแต่เด็กที่ขวบประสีขวบกำพ้าปูอีกหกขวบแล้วก็ไปอยู่กับลุงเราภายหลังลุงเสียชีวิตอีกนบีเป็นเด็กกำพ้าฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องเนี่ยหนึ่งนอกจากสะท้อนค่านิยมเขาแล้วยังเป็นการเขาเรียกว่าทําลายความรู้สึกท่านนาบีไม่มีใครคุ้มครองไม่มีใครเป็นแบกให้สับสมบัติให้ฉะนั้น คิดว่าตรงนี้เป็นปมด้อยจันทร์ในบีเลยบอกว่าทําไมไม่มีทรัพสมบัติเลยนบีในตอนนี้อยู่ที่มกักการในวัยเศรษฐีนะเป็นคนทํางานรับจ้างที่ได้แต่งกับพนักงานคนริญาเนี่ยเพราะว่ารับจ้างในการดูแลกองคาราวานแล้วพนักงานคนริญาเห็นว่าเป็นคนที่สื่อสัตา์ก็เลยขอแต่งงานไม่ได้เป็นเศรษฐีอยู่เฉยๆนะอันนี้จะบอกว่าเป็นปมด้อยนทร์ในบีก็ได้ก็คือไม่ได้มีทรัพย์สิน นบีมารู้สึกว่าเป็นผมด้อยแต่คนสมัมมานั้นมองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนยกตรงนี้มาทําไมเอ่ยเพื่อที่จะได้โจมตีมุขมันสะท้อนการอิยมในสมัยนั้นขอ้อเรียกครองที่สองบอกว่าถ้าเป็นนบีจริงทําไมถึงไม่มีมาลักษมาลักษ์ในที่นี้แปลว่ามาลาอิกาสะท้อนอยังไงสะท้อนว่าพวกเขานั้นต้องการสิ่งมหัศจรรย์อะไรที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ย นะครับแล้วก็ทําไมละ่ะถ้าเป็นอบีมาจากอัลลอฮ์จริงน่าจะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นมล า, ายกาส่งมาอยู่กับท่านนับีจริงๆแล้วท่านอาบีนีมีการติดต่อกับมล า, ายกานะเวลาอวฮีมาใครเอามาให้ยิบรีนเอามาให้และครั้งยิบรีนเนี่ยลงมาแล้วก็เอาวฮีจากอัลลอฮ์มาบอกท่านนับีแต่ว่าพวกมักกาเนี่ยต้องการได้เห็นมล า, ายกาตัวเป็นๆ เ, เลย มาเดินไปไหนมาไหนกับท่านนาบีจะได้ยืนยันว่านาบีนี่มาจากอัลลอ์จริงนะตรงนี้ก็เป็นการมองว่ามุมหมัดเนี่ยทำไมเอ่ยยังมีปมด้านสถานะไม่มีใครเป็นแบกเลยพ่อแม่ปู่ตายหมดแล้วลูกลุงภายหลังก็เสียชีวิตฉะนั้นน่าจะมีใครที่มีอำนาจมีพลังอะไรที่เหนือธรรมชาติมาอยู่ข้างๆท่านนาบีนะครับ ด้วยการคำข้อเหล่านี้เนี่ยอลัลลอ์ตอบโต้ว่าอย่างไงอลัลลอฮ์บอกว่าอินนามาอันต้านอดีรุนแปลว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนบีเป็นแค่นาตหมายถึงผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นคือนำข่าวมาบอกถ้าไม่เชื่อพ้นหน้าที่ท่านนาบีไม่ใช่มาเป็นตัวแทนในการเจรจา อลัลลอฮ์ส่งมาแล้วก็เจราจากับผู้ที่ฝ่าฝืนถ้าอาลัลลอฮ์อยากให้เชื่ออยากให้ศรัทธาใช่ไหมต้องเอาไอ้นี่มาเอาไอ้นู่นม า, อ า, นมาบอกนบีแล้วนบีก็ไปบอกตอัลลอฮ์แล้วอัลอลอฮ์ก็ให้มาเจราจากันแบบนะั้นเป็นตัวกลางเป็นหวกีนนบีไม่ใช่วกกีลไม่ใช่ตัวแทนเจราจาทําหน้าที่แค่ทําไมเอ่ยมาแค่ตักเตือนเท่านั้น ดังนั้นในท้ายอาย ะ, อ, า ะ, ะ อ, าอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮฺอัลากุนูชัยอิวะกีลอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นวกิลของทุกสิ่งนบีไม่ใช่วกกิลไม่ใช่ตัวแทนวกิลเป็ ว, เป ว, เปว่าตัวแทนนบีเป็นนารีดเป็นผู้ที่ตักเตือนนี่คือสิ่งที่ทําไมเอ่ยก็อ่านบอกกับท่านนาบีตอบโต้ผู้มักาแบบนั้นเผยเพศแล้วจบอามาน่าท่นานนบีจะเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยว ไม่ได้เป็นตัวแทนจะอลัลลอฮ์ด้วยมาขายประกันจะเชื่อไหมถ้าเชื่อจะได้อ น, นี้เอาถ้าไม่เชื่อจะได้อะไรเพิ่มอย่าไปบอกอลัลลอฮ์ให้อัอลลอฮ์เพิ่มมาไม่เกี่ยวไม่ใช่บอกกินไม่ใช่ตัวแทนนะครับในอายะห์ต่อมาอายะห์ที่สิบสามเนี่ยผู้ประกาศบอกว่านะอัมยากลูนัสตาร์พูหรือว่าสิ่งที่พวกเขาบอกว่าผู้ประกาศพูดแบบว่านบีเนี่ยอิสตาร์แปลว่า แต่งขึ้นมากุกขึ้นมาโกหกขึ้นมาก็วอ่านเนี่ยปอมขึ้นมาคำพูดเหล่านี้พูดทําไมกลับไปดูอายะเมาื่อกี้ละอัลละกะตาเรกุลบะดอมาอยูฮาอิลัยกะหวังว่าคําพูดเหล่านี้จะทำไมเอย่ยจะทําให้ท่านมีละทิ้งวะฮีวดอไอบุญบีซัตโตกะและกะหุสึกตุษตะพูดเนี่ยไม่ได้พูดไปพล่อยนะพูดมีเป้าหมาย เพื่อที่จะเยาะเย้ยกดดันท่านนาบีให้นบีลบําบากใจสุดท้ายจะได้เลิกเผยแพร่อิสลามตอนนี้เนี่ยแทงโป้มก้าแทงมาสามดอกพูดพูดไม่ดีมาสามอย่างหนึ่งทไมไม่มีสมบัติมาเลยเป็นนบีภาษาอะไสมบัติไม่มีนี่ดอกที่หนึ่งดอกที่สองเป็นนบีอะไรมาแต่ตัวไม่มีเมลยก้ามาเลยมาตัวคนเดียวดอกที่สามหรือว่ากูวาอ่านที่เอามาสอนเนี่ย อัมยากรูนัสตาร์พูดแต่งขึ้นมาเองมว่ามาแต่งขึ้นมาเองที่ดอกที่สามพูดทําไมละ่ะไม่ได้ด้วยกับกุศลเจตนานะพูดเพื่อที่จะทะําร้ายความรู้สึกท่านนาบีเนี่ยพูดแบบนี้กับท่านนาบี <c oughs> แล้วอัลลอฮ์ตอบโตอย่างไงอัลลอฮ์บอกว่ากุลให้ท่านนาบีถ้าเจอคําพูดแบบนี้พวกเขาพูดแบบนี้นะกุลท่นานนบีตอบโต้เป็นแบบนี้กุลกุลแปลว่าจงกลับ เหมือนกุญหัลรอวะฮัดจงกาวเทินอัลลอฮ์มีองค์เดียวกุลก็คืออลัลลอฮ์สั่งให้นบีพูดแบบนี้พูดว่าไงครับฟะตูบีอชริซูวรินมิสลิฮีให้นบีตอบโต้แบบนี้จงนำกุรอานมาเนี่ยสิบซึ่งละมิสลิฮีเหมือนกับที่กุรอานที่ท่านนบีนำมาเนี่ย ในเมื่อบอกว่าก็อ่านนบีแต่งขึ้นมาใช่ไหมท้านนายบีแต่งได้พวกคุณก็แต่งได้ดังนั้นในไหนก็แต่งกันได้อยู่แล้วลองเอามาสิสักสิบซัวนี่คือการท้าทายต่อพวกมักกะแต่อิมูอับบาสเนี่ยนะครับตัองสิว่าการท้าทายครั้งนี้ในซัวคูนเนี่ยอายุที่สิบสามเป็นการท้าทายครั้งแรกที่ว่าให้แต่งอลกุรอาน พอหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีในสุรยูนุสก็มีในสุรบักรร้องก็มีแต่ว่าท้าทายแค่สุร ว, วาหิดะนามาแค่สุร์เดียวตอนแรกท้าทายก่อนเธอคิดว่ากู้อ่านแต่งขึ้นมาปร้อมใช่ไหมนํามาสิบสุร์ถ้า แ, แน่จริงพวกนี้ทําไม่ได้ลดเออยี่ก็ได้ในสุรยูนุสสุรบกักราะองถ้าคิดว่ากู้อ่านพร้อมใช่ไหมนํามาแค่สุร์เดียวก็พอจากสิบ ทำไม่ได้เอาไเ ป, ไปไ็นไรลดมาแค่หนึ่งแต่อินับัสเลยบอกว่าอันนี้คือการ ท, าท้าทายก่อนนะสิบซร่งกดขึ้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็หนึ่งซึ่งในเมื่อก่อนมันกูอ่านปอมใช่ไหมนำมาสิบซึ่งมุฟตารยายินวัดอูมานิสตุตุมมินูนิไลอินคุนตุมซอดีกินเวลาที่ท้าทายเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺบอวาวัดอูมานิสตเตาะตุ้มมินดูนินไลอินกุตุ้มซอดีกินให้ไปเชิญใครก็ได้ที่มีความสามารถที่คิ ด, ดว่ามีความสามารถเนี่ยนอกจอากอัลลอฮฺเนี่ยใครก็ได้นอกจอากอัลลอฮฺจะเป็นยินจะเป็นมนุษย์จะเป็นนักปราจะเป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็ได้เชิญมาสิแล้วก็มาแต่งกุ้อ่านสักสิบสุราไม่ต้องทั้งเล่ม น, นะกุ้งอ่านมีร้อยสิบสี่สุเอาแค่สิบสอร์เนี่ย แล้วจากนั้นจะลดไปเหลือแค่นหนึ่งส่วนํำมาสิมาช่วยกันแต่งสิอินกุณตุ้มซอดีกีนถ้าพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่สัตว์จริงอันนี้คือความหมายคร่าวๆของอายาที่ส3บสาได้แง่คิดอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะกู้อานเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งทีท่านบีแต่งขึ้น พวกนักพูดพาคดีบางคนก็ยังมีความเห็นแบบนี้นาบีเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จริงแต่ว่าให้เศษบินซาบิตคล้ายๆเป็นอารักจดท่านนบีเนี่ยช่วยกันแต่งคัร์อ่านหรือว่าให้ซอฮาบะที่มีความรู้รอบๆตัวเนี่ยช่วยกันแต่งคัรอ่านขึ้นมาปัจจุบันคนที่ต้องการจองตีมุสลิมก็จะมีข้อกล่าวหาแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าเวลาไปอ่านคัรอ่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าคัร์อ่านเคยท้าทาย เคยท้าทายคนในมักกะส์สมัยนั้นว่าถ้าคิดว่าคุรานเป็นของปลอมก็ให้แต่งขึ้นมามถ้ามาจึงท้าทายแบบนี้ต้องกลับไปดูสังคมคนอาหรับในสมัยก่อนคนอาหรับสมัยก่อนเนีพี่น้องเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาใกล้ๆมักกะส์เนี่ยมันจะมีตลาดชื่อว่าตลาดอุกาสอุกาสเนี่ยเป็นตลาดคล้ายๆตลาดไม่ใช่ตลาดนัดนะ่ะ เออมันจะมีปีหนึ่งจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ได้จัดทุกวันนะผมลืมไปแล้วแต่ก่อนจะมัววันไหนเดือนไหนจัดขึ้นมาไปเทศการ์สิบห้าวันสามสิบวันก็แล้วแต่และในตลาดอุกาสเนี่ยพอละจัดขึ้นมาแล้วมาได้ขายของหนึ่งเดียวก็จะมีคนเนี่ยเอาบทกวีที่แต่งเนี่ยมานําเสนอในตลาดคือว่าคนมาชุมนุมกันเยอะใช่ไหมก็นําบทผลงานที่ตัวเองแต่งกวีเนี่ยมานําเสนอ บางคนนักกวีบางคนใช้เวลาปีเลยพี่น้องวันนี้นาเสนอบทกวีเสร็จแล้วก็ใช้เวลาอีปีนึ่งเนี่ยไปแต่งบทกวีขัดเกา่าเตรียมไม่พร้อมเพื่อจะปีหน้ามานาเสนอเช่นนามิก็เป็นชื่อนักกวีในสมัยก่อนแบบนี้เลยฉะนั้นคนรับในสมัยก่อนมีความมีความสามารถในด้านภาษานักกวีอะไรเต็มไปหมดเลย บางคนบอกเอานะ้าเนบอกคนอาหรับสมัยก่อนอ่านไม่ออกไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริ ง, รงๆแล้วเนี่ยความสามารถทางภาษาของคนอาหรับในสมัยก่อนพี่น้องเป็นความสามารถโดยสัญชาตญาณอ่นะอานไม่ออกไม่เน้นการเขียนแต่ใช้ความจําแล้วก็แต่งภาษาเนี่ยจากความรู้สึกบทกวีอาหรับสมัยก่อนสละสลวยความหมายลึกซึ้งนะครับมีบุคลากรแบบนี้ในสังคมอาหรับเต็มไปหมดเลย คนเก่งๆนักกวีดังๆเต็มไปหมดเลยก็อ่านก็เลยท้าทายว่าในเมื่อในสังคมสมัยนั้นนิยมความสามารถด้านภาษาและก็มีผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเต็มไปหมดวัตดูมันิสโตตุ้มมินดูนินละอิกุตุ้มซอดีกินก็ไปเอาคนเหล่านั้นมาสิมารวมตัวกันและก็แต่งอายะก็อ่านแต่งซุรอก็อ่านสักสิบซุร นี่คือการท้าทายไม่ใช่ท้าทายพวกตั้งปากีอย่างเดียวนะท้าทายมนุษย์ทั้งหมดเลยใครก็ได้นราจะเอาล่อเนี่ยจะยินจะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท้าทายว่านํามาแล้วก็มาช่วยแต่งคุรอานสิถ้าคิดว่าคุรอานทําไมเอ่ยเป็นขอนที่ปลอมเป็นของที่นบีแต่งขึ้นไม่เคยมีการรับคําทาตรงนี้ในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นขัมมกา และต้องการที่จะดิสเครดิตทําลายตันนาบีเนี่ยไม่ต้องทําสงครามบั ด, ดัตอูฮุตไม่ต้องไปทําก็หาคนมาแล้วก็แต่งกรุรอานขึ้นมาถ้าแต่งได้ทำไมล่ะมูมัด ก, ก็กลายเป็นคนโกหกแล้วจบไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อไม่ต้องไปทําสงครามแต่พวกมักกะไม่สามารถที่จะกระทําตรงนี้ได้ไม่สามารถที่จะตอบรับคําท้าที่กรุรอานท้าทายว่ากรุรอานทั้งเล่มที่บอกว่าโกหกไม่ต้องแต่งทั้งหมด เอาแค่สิบซูร์ร็อกก็พอทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่หนึ่งซูร์ร็อกก็พอก็ยังทำไม่ได้ถ้าทำตรงนี้ได้ไม่ต้องมีสงครามคนจะทราบในว่ามุฮัมมัดโกหกแล้วก็การเป็นแค่อิสลามทํำไมจะไม่ประสบความสําเร็จแค่ช่วยกันแต่งกุรอานบางส่วนขึ้นมาแต่ว่าทําไมไในประวัติศาสตร์เราทราบว่าพวกมักกะไม่สามารถทําตรงนี้ได้ทั้งๆ้ ท, งที่มีความถนัดทั้งๆ ท, ที่มีความสามารถทั้ ง, ท, ง, ท, าา ท, งทั้งที่มีบุคลากร ทำไม่ได้แล้วการต่อต้านอิสลามก็เลยใช้วิธีอื่นเนี่ยกดดันท่านนบบี บ, บ้างทําสงครามบ้างบีบคั้นจนนงมาทําผู้ศรัทธาต่ออพยพบ้างมันมีวิธีง่ายกว่านั้นไม่เปลืงคนไม่เปลืองมา้าไม่เปลืองอาวุธไม่เปลืองทรัพย์สินเลยทรัพย์สิสนอาจจะเปลืองหน่อยจ้างเข้ามาแล้วก็มาแต่งกุรอานแต่สุดท้ายทําไม่ได้อลัลลอฮ์บอกว่าอินกุน่มุ่มซอดีกินถ้าคิดว่าผู้จริงนะ คำกล่าวหาที่กล่าวหานาระีแบบนุ้นแบบนี้ถ้าจริงนะง่ายๆเลยแต่งตัรงานแต่พวกเขาทำไม่ได้นั่นคือความหมายของอายะห์ที่อายะห์ที่สิบสาอันนี้เป็นการท้าทายครั้งแรกนะครับสิบซุราะหลังจากนั้นลดมาเหลือหนึ่งซุราซึ่งอยู่ในซุราะบกราะแล้วก็ซุราะยูนุสในอายะห์ที่14บครับอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าฟาอิลลัมเลยสต์ยบูละกุมนะ หากพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของท่านฟะลามูจงทราบเถิดอันนามาอุนซิละบิอินบิลละหวอันลาอิลฮะอิ ล, อ ล, อลหัวถ้าคำท้าทายเมื่อกี้เนี่ยพวกนั้นไม่ตอบะครับไม่เชื่อทำไม่ได้วะลามู ก็จงทราบเถิดให้บนนั้นทราบเถิดท้าไปแล้วจะทำไม่ได้ก็จงทราบเถิดว่าอันนามาอุน z i l a b i n b i l l a อวะอัลละอีละอิลลาหวก็จงทราบเถิดว่าทั้วอ่านที่บุคุณบอกว่าแต่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากอัลลอ์และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์วัดกันถ้าจริงแต่งมานบีจะเป็นคนโกหก พวกเขาก็พูดจริงแต่ถ้าทำไม่ได้แปลว่าไม่กล้าตอบรับคำท้าทายตรงนี้แปลว่าจงทราบเธอทำไมเอ่ยสุดท้ายก็อ่า น, นมาจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ไม่มีพระเจา้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฟะฮันอันตุมมุสลิมูนในท้ายะยถามว่าฟะฮันอันตุมมุสลิมูนแล้วพวกท่านนั้น มาถึงผู้ที่ตั้งปาคีนั้มุสลิมูนไม่ได้แปลว่ามุสลิมนะแต่แปลว่าผู้ที่นอบน้อมมุสลิมนี่แปลว่าผู้ที่นอบน้อมนะมุสลิมแปลว่าผู้ที่นอบน้อมนอบน้อมยังไงพี่น้องเรานอบน้อมต่อคําสั่งของลอตี่คือมุสลิมนอบน้อมถ้าวันที่บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วคําสั่งของลอที่บอกสั่งให้ถือศีลดในช่วงฮะมัดอัแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ทํา ยังไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์ผมไม่กล่าวข่มขยิตตอกตมตัดตัวออกนอกศาสนาแต่ว่าลาาักษณะของผู้ที่นอบน้อมในฐานะที่เป็นมุสลิมยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าคําสั่งฮอลล์ทาไมละ่ะเราคิดว่าเราใหญ่กว่าฮอลล์สั่งแบบนี้ฮอลล์สั่งให้บวชชันใหญ่กว่าฉันก็เลยไม่บวชฝ่าฝืนยังไม่ใช่มุสลิมมูที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันคําสั่งห้ามมันมีบาปความผิดที่ฮอลล์ห้ามไว้ แต่เราก็ยังไม่นอบน้อมต่อคาสั่งนี้ยังทาอยู่ยังฝ่าฝือนอยู่ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ผู้ที่นอบน้อมไม่ใช่มุสลิมุที่สมบูรณ์นี่คือความหมายของของมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมปีนอ้องยังต้องนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกหลายประการเช่น มุสลิมเนีศรัทธาในสิ่งซึ่งทําไมเอ่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่นลับเป็นลักษณะหนึ่งของผู้ศรัาทธานะอลิฟลามีมดาเลกันกิตาบุลลอัยฮุฟฟิฮูดัดเลนมุตตะกินอันลลดีนอยุมินูนตะบินร้อยคนจะเป็นมุตตะกินก็อ่านบอกว่าอัาลลดีนอายุมินูนตะบินร้อยคือคนซึ่งทําไมเอ่ยศรัทธาต่อสิ่งที่เล่นลับพี่น้องเชื่อไปได้ยังไงว่ามาลัยร่างมีจริงเคยเห็นหรอไม่เคยเห็น แล้วทำไมต้องสักการ์ดธรรมดามอะไรกัเป็นเรื่องที่เลึกลับแต่เราสักกานอกน้อมพี่น้องคิดตัววันเกียร์มากมีจริงไหมวันอาคิโรไม่รู้บันทีกะตายก่อนจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทําไมสักกาละ่ะอ่ามันไม่เป็ น, ปนวิทยาศาสตร์แต่ทําไมเราสักกาพี่น้องสักการ์ดในใครบ้างนาบีเกิดไม่ทัานนาบีสักกาในกบีกก่อ น, อนไม่เห็นน่ะเห็นแค่กุ้อ่าน ศรัทธาในอัลลอฮ์พิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์เดไหมพระเจ้าจับต้องได้ไหมทุกอย่างเหล่านี้ที่เราศรัทธาในพี่น้องเป็นเรื่องย่อยเป็นเรื่องที่เล่นลับหมดเลยถ้าไม่น้อมน้อมศรัทธาไม่ได้เธอพี่น้องบอกว่าของไหนถ้าสัมผัสไม่ได้พิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อฉันจะไม่น้อมน้อมในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้โดยกับกระบวนการวิทยาศาสตร์นะอิสลามหายไปเยอะเลย ผู้ศรัทธาในกูอ่านบอกว่าเป็นผู้ที่ทําไมเเชื่อในสิ่งที่เล่นลับขอบางอย่างกูอ่านให้ฮิกมามาพี่น้องให้ข้อพิสูจน์มาแต่บางอย่างมันเกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์แต่เราก็ยังศรัทธาเช่นในวันกี亚马เต็ไมไปหมดพี่น้องสะพานสิรอดสะพานที่เราต้องข้ามไปเนี่ยคนวันเล็กกว่าเส้นผมเส้นผมพานเจ็ดมันเป็นยังไงสะพานแบบนั้นคนจะเดินไปได้ยังไงมันจะมีจริงไหม ถ้าน้อมน้อมศรัทธาเพราะว่าอัลลอฮ์บอกเนบีบอกว่ามันมีเราก็ศรัทธาแบบนั้นในวัากียาม่าจะมีตาช่างมีจานมาช่างความดีช่างความชั่วความดีความชั่วมันจะช่างได้ยังไงมันไม่มีน้ําหนักมันจะช่งางยังไงอัลลอฮ์ะจะออกมายัางไงเป็นสิ่งที่พ้นความสามารถของมนุษย์ศรัทธาไมหมละ่ะถ้าน้อมน้อมศรัทธานี่เป็นมุสลิมแต่คิดว่าลักษณะแบบนี้สิ่งที่เล่นลับแบบนี้ไม่สามารถศรัทธาได้พี่น้องอย่าเพิ่งเป็นมุสลิม เดือบึ้นข่าวชาา่ไหมศึกษาไปก่อนวันไหนเชื่อวันไหนนอบนออ้อมใครศรัทธาแต่ถ้าวายังยโสอยู่ยังไม่พร้อมไม่ได้ว่าเร็วนะยังไม่พร้อมจะนอบน้อมเนี่ยก็ยังไม่ต้องมาเป็นมุสลิมเพราะมันมีหลายอย่างซึ่งเราต้องนอบนอ้นอมเช่นสมัยก่อนถือซิ่อดคนสมัยก่อนก็ไม่ทราบไปน้องถือซิ่นอดมันดีต่อลำไส้มันดีทอกดีทอกลำไส้ดีต่อกระเพาะคนอื่นคนสมัยก่อ น, วนเวลาละ่อสั่งกันถือศิ่อดถือ พราะว่านอบน้อมต่อคําสั่งท้องเราปัจจุบันเพิจะทราบว่าอ๋อมันมีผลดีครัที่เขาจะบอกว่าต้องประจักษก่อนราผลดีมีอะไรบ้างฉันถึงจะถือสินอดเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ถือไปน้องตายก่อนนะเช่นเดียวกันด้วยทาไมต้องละมาศอะไรแบบนนเนี่ยทําไมออานั้นละมามาต้องล้างแบบนั้นนะทำไมไม่ล้างตัวไปเลยนอบน้อมศรัท ธ, ธาทําตามคําสั่งไปก่อนทิ้งมากมันจะมาทีหลัง เราอาจจะตายก่อนก็นได้หรือว่าเราอาจจะค้นพบพิงมะข้อดีในนั้นก่อนก็นได้ว่าเราอะลัมแต่ว่ามุสลิมคือผู้ที่นอบน้อถ้ายังไม่นอบน้อมยังเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้คําถามนี้เนี่ยนะครับฟาฮันอันตุบ ม, มุสลิมูลอัลลอฮ์ถามต่อบรรดาผู้ที่ตั้งพาคีตรงนั้นเพราว่าถ้ากูอ่านท้าทายแบบนี้แล้วแต่กูอ่านมาสักสิบซ้อแล้วยังทําไม่ได้เนี่ย ฟาฮันอัลตุมุสลิมูนพวกคุณยอมหรื อ, อยังน้อมน้อมหรื อ, อยังยอมที่จะเชื่อว่าก็วอ่านมาจากอัลลอฮ์หรื อ, อยังนี่คือคําถามที่กัวอ่านมีต่อบรรดาผู้ดีต่างภาคีคือท้าแน่จริงก็ก็รับคำถามกัวอ่านแต่ถ้าไรับคําท้ายอมหรื อ, อยังยอมจะศรัทธาหรื อ, อยังนะครับคําถามตรงนี้เนี่ยถามต่อบรรดามุชริกีนนะแต่ว่า เราสามารถได้แงีเคสก็คือว่ามาถามกับตัวเราเองวันนี้ในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่แปลว่าผู้ที่นอบน้อมเรานอบน้อมขนาดไหนคําสั่งขอร้องมีน้ําหนักไหมคําสั่งใช้มีน้ําหนักไหมคําสั่งห้ามขอร้องเรายังกล้าฝ่าฝืนไหมความนอบน้อมความเป็นมุสลิมมีขนาดไหนต่างคนกต่างถามผมก็ถามตัวเองพี่น้องก็ถามตัวเองแล้วกันนะครับ ต่อมาครับในอายาที่1ิบห้าอัลลอฮตรัสไว้ว่ามันกาณนะยูริดุนฮฮยาตัดดุนยาใครกันแล้วแต่ต้องการทำไมเอย่ยชีวิตในโลกนี้ชีวิตดุนยานะ่ะวะจีนตตาฮาจีน่าแปลว่าความสวยงามและก็ความงามความเพลิดเพลินของดุนยา ใครที่ต้องการดุนยาและก็ความสวยงามของดุนยาพี่น้องอัลลอ์ว่าไงครับนุ瓦ฟีอิัยฮิมเราก็จะให้พวกเขาอย่างครบถ้วนถ้าต้องการแค่ดุนยาและก็ความสวยงามของดุนยานว瓦ฟีอิัยฮิมอัลลอ์ก็จะให้ให้แบบสมบูรณ์เลยว่าฟ้าเป็นว่าทำไมสมบูรณ์อะมาละฮุฟฟีฮา um ah ก็คือ การงานของพวกเขาในนี้เนี่ยในดุนยาเท่านั้นที่อัลลอฮฺจะให้อัิรอไม่เกี่ยวฟาฮุมลาฟาฮุมฟีฮ่าลายุบะคอซูลและก็พวกเขาเจะอยู่ในดุนยาและการงานของพวกเขาเนี่ยทำไมเอ่ยลายุบะคอซูลจะไม่มีการบกพร่องในการงานใดๆหมายถึอัลลอฮฺจะไ ม, ไม่ตัดให้เต็มๆคนที่ต้องการดุนยาและก็ความสวยงามของดุนยานะอัลลอฮฺจะให้อย่างสมบูรณ์เลย ไม่ตัดทอนไม่ตัดอะไรไปเลยให้อย่างที่คุณต้องการในอายะหนี่ให้ไงคิดอะไรบ้างนะครับอันนี้ย้ายความหมายเมื่อกี้เป็นการตอบตัวผู้บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีตัวอ่านมาเปิดประเด็นใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องแหละแต่ก็อ่านเปิดประเด็นใหม่บอกว่ามันการายุริยุนฮหยะตัดดุญยาวาจีนาตหาใครที่ต้องการแค่ชีวิตดุญยา ทำไมเอ่ยแล้วกัความสวยงามของมันเดี๋ยวเราจะให้นะแนวคิดประการที่หนึ่งพี่น้องครับดุนยานเนี่ยหลายๆครั้งมักจะถูกกล่าวกับคำว่าดีนะความสวยงามความเพลิดเพลินพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ดุนยานเนี่ยมันสวยดุนยานี่มันเพลินเวลาอยู่ในดุนยาพี่น้องนะถ้าอยู่แบบ ไม่ต้องเกรงใจไม่ใช่มุสลิมูนไม่ได้นอกนอก้องต่อรอนะทําทุกอย่างนะชีวิตสนุกมากพี่น้องซอยห้าสามอย่างเดียวนี่ก็สนุกแล้วตอนคืนเนี่ยพี่น้องเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปซอยอื่นนะครับอะไรที่อลัลลอฮ์ห้ามถ้าร้องร้องไม่เชื่อแล้วก็ทําหมดดุยามันสวยงามสนุกจริงๆพี่น้องนะเพศตรงข้ามก็เป็นสีนะก็คื น, นมันร้องสวย ห, หมดแหละไฟมวบแวบแวบแตอนช้าไปอีกแบบนึกลองคืนสวย ห, หมด วเวลาออกไปเที่ยวหนึ่งคนหนึ่งชอบที่ยองคืนแต่งตัวยังไงก็ได้นาคืนแต่งได้ถ้ามาแต่งเดินกลาวันเดินไม่ได้บางทีก็มีอะไรเอากากาเพชรมาติดแต่งเดินไม่หมดอย่างนั้นนะครับสวยงามดุนยาแล้วก็มีความเพลอดเพลินเวลาที่มนุษย์เขาเรียกว่าทําดุนยามันสวยงามพี่น้องมนุษย์ทําได้เช่นที่พักอาศัยพี่น้องไปดูแบบบ้านที่ออกแบบดีๆเนี่ย โอ้โ ห, หนาอยู่เพลินเป็นซีหน้าหมดเลยนะเอา้อมาได้ห้ามนะใครจะมีบ้านสวยไม่ผิดนะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกยิ่เวลามันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพี่น้องครับสวยหมดมือถือก็สวยขึ้นบางขึ้นเสื้อผ้าก็มีแบบต่างๆเนื้อต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็อะไรกันแล้วแต่ยิ่งดียิ่งสวยยิ่งงามนี่คือดุนยา ถ้าพี่น้องตั้งใจว่าชีวิตนี้ดุนยาจะต้องเต็มที่เอาดุนยาให้ครบทุกอย่างนะต้องการแบบนี้นะเอาเราบอกว่านูวาฟี่ um อะไรหิ้อะมาล้วพุ่ลเอาเราจะให้เลยคนที่ต้องการดุนยาทุกอย่างความสวยของดุนยาอย่างเดียวนะอ้ทีเราไม่มองเลยเนี่ยเอาเราบอกเอาเราจะให้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าต่อให้คนที่ไม่ศรัทธาแต่เขาก็ประสบความสมําเร็จในดุนยาได้เพราะเขาหวังมัน เขามีการเตรียมความพร้อมเขามีความพยายามและเขาก็ได้สิ่งในดุนยาที่เขาต้องการนี่คืออัสนะหนึ่งขอล้อคือว่าอั น, อนลู่ความยุติธรรมคนพยายามจะตายแต่ถ้าไม่ใช่บูสะทาขลจะไม่ให้ใช่ไหมไม่ใช่ขลให้นะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเวลาดูมือถือเนี่ยนะ คนยังไงแหละเวลาทำลํทำรูปํานี่นะชอบถ่ายรูปลงมือถือมันเป็นขั้นิยมไปแล้วผมไม่ได้ว่าดิดว่าถูกการที่ภาพที่ออกมาพี่น้องมันสวยบางคนวันนึงถ่ายรูปประเทศนี้อีวันถ่ายประเทศนี้น่าอินชาเที่ยวต่างประเทศทุกวันเลยเหรออ า, อาหารก็สวยคนก็สวยตัวจริงอีแบบนี้จตะทายในลงใ น, ในรูปเนี่ยมันสวยกล้องมันทำให้สวยได้สวยหมดเลดุนยาเป็นจีนนะหมดนะครับ แล้วก็เวลาที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะต้องตระหนักว่าดุนยามีความสวยงามปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าดุนยาไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดจะมีเสื้อผ้าสวยก็มีได้แต่ไม่ลืมว่าเสื้อผ้าต้องปิดเอ า, เาบ้านเนี่ยใหญ่ได้ไหมอลังการได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมว่าบ้านตรงนี้เราไม่ได้อยู่ตลอดกาลเดี๋ยวก็าตายเล้วไปอยู่บ้านใหม่อยู่ไหนอยู่หลังมัสยิด น, น่ยอยู่ในกูโบ เรามีรถปีน้องสวยงามคันเรียวฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยมีได้ไหมมีได้แต่ต้องไม่ลืมว่ามาถึงวันกียร์มาแล้วเนี่ยไอ้ลถตรงนี้เป็นพาชนะไม่ได้สิ่งที่ติดตัวเราไปในวันกียร์มากก็คือก็คือความดีและการงานที่กระทําไปดุนยาสวยงามพี่น้องต้องตระหนักว่าดุนยาสวยงามแต่ว่าอย่าหลงดุนยาเอาล่ะบอกว่าคนที่ต้องการดุนยาและกระซีนะความสวยงามของดุนยาทั้งหมดเลยเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยถือว่าเป็นซีนะ เป็นความสวยงามเอ่อความเพลิดเพลินก็ถือว่าเป็นสริงนะเหมือนกันนูว ah uh, hm ่าฟีอะไรที่มามาแล้วุมฟีฮาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้เต็มถ้าต้องการแค่นี้อัลลอฮ์ให้เต็มว่าหุมฟีฮาลายุบขะซูลโดยที่ว่าทําไมเอ่ยอัลลอฮ์จะไม่ลดไม่ตัดสิ่งใดไปเลยถ้าต้องการแค่ดุจยานะอัลลอฮ์ให้เต็มนะครับคร น, นี้พูดถึงผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ดุจยาจะทิ้งทุกอย่างนะ เป็นผู้ที่สแสวงหาดุญยาด้วยแล้วก็สแสวงหาอาันธรรพ์ด้วยบางคนบอกมุสซิมต้องเลือกจะเอาโลกนี้หรือเอาโลกหน้าจริงๆไม่ต้องเลือกพี่น้องเราเอาสองโลกถ้าพี่น้องไม่เอาโลกนี้ไม่ทำงานไม่ทําอาชีพเลยพี่น้องจะตั้งที่ไหนมาจ่ายอากาศโลกนี้ต้องเอาด้วยโลกหน้าต้องเอาด้วยถ้าทิ้งทุกอย่างเลยไม่เอาอะไรเลยพี่น้องจะช่วยเหลือคนยากคนจนยังไงละ่สะสตกก็ใครจะให้ ดุนยามีความสวยงามเราก็สามารถเอาความสวยงามขดุนยาได้แต่เราไม่ลืมอะคอราะภรรยาสวยๆนี่ยพี่น้องห้ามไม่แ ม, ม่ห้ามแต่งไม่ได้ชอบกันก็แต่งกันไปแต่ว่าอย่าไปสีนาได้เหมือนกันอยู่ด้วยกันเหมือนกันแต่ว่ามาเจอสีนาที่กล้ากันนะครับถ้าทรัพย์สินในดุญญนยาเนี่ยพี่น้องอิสลามให้ปฏิเสนาะไม่มีการหุดูตัดมือหุดูตัดมือเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ขโมย ที่น้องมีทรัพย์สิสนผมไปขมโมยตัดมือถามว่าถ้าอิสลามไม่ให้ความสนใจกับดุนยากับทรัพย์สินจะไม่มีอุดมตรงนี้การตัดมือการตัดมือถูกบัญญัติมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินในอิสลา ม, มจะมีคําว่าดูรอคัามซาความจําเป็นสูงสุด5ประการซึ่งศาสนาให้ความคุ้มครองหนึ่งคือปกป้องศาสนาสองปกป้องชีวิตมีการกีซอสพี่น้องมาฆ่าผมในดุลประหารชีวิตนะ มันเราพูดถึงฆ่าอาหารโศ .bn ะที่คิดกันเนี่ยค่าธรรมดากันลงมาหาชีวิตทรัพย์สินนะครับการคุ้มครองทรัพย์สินผมพี่น้องมาขโมยทําไมละ่ะถูกตัดมือคือถ้าอิสลามบอกว่าทรัพย์สินตุ้งยาไม่สําคัญเลยเนี่ยไม่บัญญัติหูดูดการตัดมือตรงนี้มาให้ความคุ้มครองด้านเชื้อสายถึงห้ามสีนาเนี่ยหมายความว่าลูกลูกผมเนี่ย คือต้อเป็นลูกผมนะที่มาจะพยายาผมไม่ใช่ไปตมั่วคนอื่นแล้วลูกออกมาลูกใครก็ไม่ทราบพ้อมั่วมาสี่ห้าคนแบบนี้ไม่ได้ที่สามคุ้มครองเชื้อสายข้ามศีนาศีนาดนฮูดูดแต่งแล้วโดนคว้างไม่แต่งดนเครียดทั้งทั้งที่เรื่องเชื้อสายเรื่องแบบนี้พี่น้องเป็นเรื่องตุนยานะใครจะผัวใครเมียใครเนี่ยเป็นเรื่องดุญญนยะาแต่ว่าให้การปกป้อง อิสลามให้ความสําคัญวิสิทธในโลกนี้นะเอาศาสนาตัดไปชีวิตก็เป็นเรื่องของโลกนี้ทรัพย์สินเป็นของโลกนี้เชื้อสายเป็นของโลกนี้แล้วก็อิสลามให้การปกป้องสติปัญญาถึงห้ามดื่มเหล้าพราะดื่มเหล้าแล้วสติปัญญามันจะไปหมดวเวลาคนเมาเน่ยพี่น้องเป็นนอนก็นได้กับพื้นนะเป็นหมูก็ได้กิ่งไปคือเป็นคนอยู่ดีๆเลยแหะพีวว่น้องหน้าตาดีๆพอเมาแล้วเป็นได้ทุกอย่างฉะนั้นสติปัญญาที่หายไปตรงนั้น อิสลามให้การปกป้องถึงห้ามดื่มเหล้าในเดวลความซ่าความจำเป็นสูงสุด5ประการเนี่ยพี่น้องศาสนาตัดไปก็ะแดเอาอย่างน้อย4ประการเป็นเรื่องดุนยาทั้งหมดเลยชีวิตทรัพย์สินเชื้อสายสติปัญญาเป็นเรื่องดุนยาทั้งหมดแต่อิสลามยกขึ้นว่วเป็นความจําเป็นสูงสุดซึ่งศาสนาต้องให้การปกป้องเราจะมีการฮุดูดตัดมือเขี้ยนเนี่เป็นฮุดูดมีการกีซอสคือการประหารชีวิต เพราะให้ความสําคัญต่อดุนยาฉะนั้นคําถามที่ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยจะเอาโลกนี้หรือเอาโลกหน้าเนี่ยคือที่คำถามแ บ, บนี้ผิดไม่ต้องเลือกเอาโลกนี้ด้วยพี่น้องแล้วก็เอาโลกหน้าด้วยก็ อ, อ่านในอายะห์นี่บอกว่าดุนยามันมีซีหน้านะมีสีหน้าจะยอมรับดุนยามันหน้าอยู่มันสวยงามนะครับแต่ว่าเราอยู่กับสีหน้าดุนย า, ญญาและเราก็ไม่ลมืมอาคิรานนะครับ อ่านี่คือความหมายของอายะที่อายะที่สิบห้าต่อไปในะอายะที่สิบหกไม่มีเอกสารหรอกคือน้องแต่ผมต้องสอนเพราะว่าความหมายมันติดกันอัลลอฮฺบอกว่าอุลัยกัลลาดีนอะไรซาลาฮุมฟินอาคิรออิลลัลนารเขาบอกว่า ah um อาลัลลอฮฺบอกว่ า, า, า, วาพวกเขาเหล่านั้นนั้นทำไมเอ่ยในอาคิรอเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเอิลลัลนารเว้นแต่ไฟนาร ความหมายคือบิดโคตรูดหมายถึงอยู่ในไฟนรกตลอดกาลคนที่ปฏิเสธการศรัทธาในอาคีรอดุนยาได้ทุกอย่างไปแล้วอัลลอฮ์ให้เท่ากันหมดแหละนะออคนที่เป็นผู้ศรัทธาขายของอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์สินคนที่ไม่ศรัทธาปฏิเสธอัลลอฮ์ขายของอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์สินในดุนยาอัลลอฮ์ให้เหมือนกันหมดแต่ว่าในอาคีรอเนี่ยทําไมเอ่ยไลซัลฮุมฟินอาคีรออินลันนาร ในอะคิรอดจะไม่ได้อย่างอื่นเลยยกเว้นแต่ไฟนะครับดุลยาทําไมเอ็นุวะฟิอิลาฮิอัมาลาหุมให้สมบูรณ์ทุกอย่างให้ครบทุกอย่างฟาหุมวาหุมฟีฮาลายูบะอซูลไม่ได้หักอะไรออกเลยให้ครบหมดแต่ว่าในวันอาคิรอดอิลลั น, นารได้แค่ไฟนะครับอยู่ในนั้นตลอดนะวาฮาบิต่อมาซ้อนอูฟีฮา แล้วก็สิ่งที่พวกเขาทําเนี่ยฮาบิต้ไม่มีผลวาบาติรุน ม, มาการูยะมาลูนและสิ่งที่ทําทั้งหมดที่เคยประพฤติทั้งหมดบาติเป็นโมฆะทั้งหมดเลยไม่สามารถไปเรียกผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้สองอายาที้จะพี่นะ้องอายาที่สิบห้าอายาที่สิบ ห, หกอัลลอฮ์เตือนสติผู้ศรัทธา เตือนสติผู้ศรัทธาว่าในดุนยานในพี่น้องอลัลลอฮ์ให้มันเหมือนกันเลยความต่างของผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลกอาคิร์ในโลกนี่เหมือนกันเลยพี่น้องคนศรัทธาคนไม่ศรัทธาอลัลลอฮ์ให้เหมือนกันหมดเพราะอลัลลอฮ์เป็นพระผูเป็นเจ้าอย่าว่าแต่คนเลยพี่น้องสัตว์อัลลอฮ์ก็ให้บางคนบอกว่าเอ้ถ้าอลัลลอฮ์มีจริงทําไมผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ไม่ลงโทษได้หมดเลยละ่ะฟ้าผ่าเลือนตัวเลย ตายตายตายตายจะ ไ, ได้ศรัทธากันหมดหรือว่าใช่ธรณีสุปให้หมดไปเลยให้มีเฉพาะคนศรัทธาถ้าไมพระเจ้าไม่ทาแบบนั้นถ้าพระเจ้าทําแบบนั้นพี่น้องคุณลักษณะของเราหลายๆประการจะหายไปเช่นอรหันตความเมตตาเนี่ยพระพุทธ เ, เจ้าที่มีความเมตตาอย่างสมบูรณ์เนี่ยถ้าทําแบบนั้นนะความเมตตาจะหายไปความยุติธรรมสร้างมนุษย์ขึ้นมา นะครับแล้วก็คนไหนไม่เชื่อตายหมดคนเชื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นลักษณะบาปการของลอร์ก็จะหายไปอลัลลอฮ์มีทั้งความเมตตาแล้วก็มีความยุติธรรมอย่าว่าแต่คนเลยพี่น้องสัตว์ก็มีของมันสัตว์นี่นะครับอลัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพให้ที่อยู่อาศัยเวลาไปดูสรารคดีสัตว์โลกกับพี่น้องเห็นความมัศจรรย์ของลอล์อัลลอ์ให้พวกนี้ ฉะนั้นทำไมเอ่ยในดุนยาได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ต่างก็คือในโลกอาคีรักเพราะเราไม่ได้หวังแค่ดุนยาหวังในโลกหน้าด้วยเมื่อหวังในโลกหน้าแล้วต้องถามตัวเองว่าสิ่งไหนคือคือสิ่งที่เราสามารถจะเอาไปในโลกหน้าได้นะครับมันกลับมาที่คอนเซ็ปต์เดิมก็คือว่ามุสลิมคือผู้ที่อ่อนน้อม วันนี้คําสั่งของอัลลอฮ์เวลาสั่งมาแล้วเนี่ยในวันกียร์มาจะถูกถามอีกครัง้งหนึ่งพราะว่าอัลลอฮ์มีคําสั่งว่าเมื่อถึงเดือนอุบัตมาดแล้วให้ถือซิทอดเนี่ยเรานอบน้อมต่อคําสั่งตรงนี้ไหมวันนี้ไม่มีใครว่าเราถ้าเราแอบกินน้ำไปน้องไม่มีใครทราบแต่ถึงวันกียร์มาอัลลอฮ์จะถามว่าทําไมคําสั่งการถือซิทอดคุณเป็นผู้ศรัทธาทำไมคุณไม่นอบน้อมต่อคําสั่งนี้ตอนนั้นกับตัวใครตัวมันไปน้องตอบกับเองแล้วกัน ละหมาดห้าเวลาที่อลัลลอฮฺมันยันมาในเมื่อคุณกล่าวชาดาด้าแล้วเป็นมุสลิมแล้วอลัลลอฮฺเป็นเจ้านามีเป็นขอาซูนแล้วทําไมคําสั่งที่ว่าให้ละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาทําไมคุณไม่น้อมน้อมต่อคําสั่งนี้เราต้องตอบคาถามตรงนี้หรือว่าคําสั่งห้ามเช่นการซีนาเนี่ยอลัลลอฮฺห้ามแต่วันนี้เราก็ทําทําบ่อยทําทุกวันสองอาทิตย์ครั้งก็แล้วแต่ ทำแล้วในวันกียรติ์มาอัลลอฮ์ถามว่าทำไมคำสั่งห้ามที่บอกว่าห้ามทาสินาทำไมคุณถึงไม่นอบน้อมต่อคำสั่งนี้มุสินคือผู้ที่นอบน้อมนะครับในช่วงท้ายของเวลาผมทวนความหมายั้างหนึ่งนะวันนี้ซุอฮุดนะครับ5 อ, อ, อายะห์อายะห์ที่12ถึงอายะห์ที่16ในเอกสารนั้นถึงแค่อายะห์ที่15แต่ว่าความหมายมันเกี่ยวข้องกันผมก็สอนเกินไป ในอายะห์ที่12ถึงอายะห์ที่14เนี่ยก็อ่านเล่าให้ฟังว่านาบีประสบกับอะไรบ้างนาบีถูกคำพูดเยอะเยอยแบบเนีย้่าถ้าเป็นนาบีจริงทำไมไม่มีสมบัติอะไรมาเลยเจ็บนะพี่น้องเคยจนไหมละคนถูกคนว่าว่าจนเนเจ็บเหมือนกันนะ ทำไมเป็นนบีเนี่ยไม่มีการซุนไม่มีสมบัติอะไรมาเลยมาแต่ตัวนี่คําพูดที่นบีโดนถ้าเป็นนบีจริงทํำไมไม่มีใครออกมาสนับสนุนเลยมาเลยก้าไม่มีมาเลยมาแค่ตัวคนเดียวนี่นบีโดนสองดอกนี้เนี่ยที่กล่าวหานาบีเนี่ยอลัลลอฮ์ตอบโต้แทนท่านนาบีว่าอย่างไงให้บอกไปว่านาบีเป็นนาบีโดนเป็นผู้ตักเตือนไม่ใช่ว่ากีลไม่ใช่ตัวแทนมาเจรจา จะเอานู่นเอานี่ไม่ใช่วกีนน่ะคืออัลลอฮ์ทาไมศรัทธาวะกียามัตไปตอบอัลลอฮ์เองนบีมาแค่ตักเตือนเตือนเสร็จแล้วกรจบหน้าที่กลุ่อ่านทำหน้าที่ในการคือว่าปกป้องท่านนาบีและก็ะปอบประลงท่านนาบีด้วยในอายะห์ที่สิบสาเราเห็นว่ากลุ่อ่านทําการท้าทายพวกนี้คนนี้บอกว่านาบีแต่งกลุ่อ่านขึ้นมากลุ่อ่านบอกว่าท่านาบีแต่งกลุ่อ่านขึ้นมาได้พวกคุณก็แต่งได้ พ่อนบีเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะไม่ใช่เป็นนักกวีที่เก่งมากแล้วก็มาแต่งกุอานเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอุ้มมี่แล้วแตคนแบบนาบีแต่งได้นะ่กคุณเยอะแยะก็แต่งได้ก็เอามาสิวัตอะอุมมันนีสตะตุต้มมินูนิ่ล่าอินกุลตุ้มซอดีกินเอามาให้หมดแหละจะทั้งมักกะจากคนจะยินที่ไหนก็ได้เอามาแล้วก็แต่งขึ้นมาสิบชั่วอันนี้คือการท้าทายข้าวแรกนะ หลังจากนั้นจะลดเหลือแค่หนึ่งซูราะซึ่งคนนั้นก็ยังทำไม่ได้คําท้าทายหนึ่งซูอยู่ในซูราะยูนุสแล้วก็ซูราะักครอเอามาให้หมดถ้าก็อ่านแต่งไหนก็แต่งขึ้นมาสิสุดท้ายทําไมเอ่ยในะอายะ์ที่ส4บี่อัลลอะ์บอกว่าฟาอิลมยัสีบูลกุมฟะละโมอันนามาอุนซิลาบินบินละอนลอลลาอาถ้าคําท้าทายตรงนี้พวกเขาไม่ตอบรับก็จงทราบเถอะว่ากูอ่านเนี่ยมาจากอาลัลลอ์จริง และอัลลอฮ์กรถามคนเหล่านี้ว่าฟะฮันอันตุ่มมุสลิมูนยอมหรือยังน้อมน้อมหรือยังเชื่อหรือยังว่าก็กาอ่านมาจากอัลลอฮ์นี่คือคําถามที่อัลลอฮ์ให้ท่านอดีถามกับผู้ที่บรรดาผู้ที่ตั้งปาคีสมอญญาย่างเมื่อกี้นะครับเป็นการทำไมเอ่ยเขาเรียกว่าแผนที่พวกมุชริดต่างภาคีต้องการที่จะบันทอนจิตใจท่านอดี ต้องการอะไรบ้างลอันลากะตาเรกุลบะดามายุฮาอิไลก้าพูดแบบนี้แทงท่นานอบีแบบนั้นต้องการท่นานอบีละพิงกัวาอานหรืออวะวะฮีที่ส่งมากัวดอออีกุนบีฮีซอตุลก้าต้องการให้เกิดความรู้สึกอึดอัดกดดันต่อท่านอบดุลเบียด้วยกาพูดเหล่านั้นแต่ลอดตอบโต้ไปพี่น้องอับดุบียเป็นการพูดตักเตือนหรือว่าท่านแน่จริงก็แต่งกัวารมาตอบโต้คนนั้น นะครับจนพวกนั้นทําไมเอฟอินลมยัสตาียูรักุ่มไม่สามารถที่จะตอบรับคำท้าทายตรงนี้ไดนะ้นั่นคือสามอายาสิบสองสิบสามสิบี่ในอายาที่สิในอายาที่สิบห้าและก็อายาที่สิบหกก็อ่านพูดถึงลักษณะของดุนยาว่ามีซีนะมีความสวยงามเถียงไม่ได้ดุญญนยาได้ยิ่งอยู่ยิ่สวยพี่น้องนะครับ อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ต้องการแค่ดุ n y าทําไมเอ่ยอัลลอฮ์บอกว่าหนูวาฟีอะไรฮิมอามาละหุฟฟีฮะอัลลอฮ์จะให้ความสมบูรณ์กับมันต้องการดุ n y าเท่าไหร่นะอัลลอฮ์จะให้เต็มเท่านั้นหุมฟีฮาลายุบอซูลอัลลอฮ์จะไม่ตัดจะไม่ลดอะไรเลยให้เต็มเต็มแต่ว่าคนที่ต้องการแค่ดุ n y าดุ n y าได้ครบได้เต็มแล้วในอันคิยร์าะเป็นยังไงอลไยกัลัดีไลซาละหุฟิีอันคิยราะอิลลัลนาร ดุนยาได้ครบแต่อาคิร่งไม่ได้อะไรเลยนอกจากไปนะครัวาฮาบิตตอมาซอนอูฟีฮ้าสิ่งที่พวกเขากระทำว่าในดุนยาไรค่ะหมดความหมายวพาะบาติดุนมาการูยะอัมลูนเป็นโมฆะทั้นหมดทั้งสิ้นนะครับและนี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้องในวันนี้นะครับจากสุรพุทธอายาที่สิบสองถึงอายาที่สิบหกอวิลลาฮิตฟิวันฮิดายะ